สิกขาบทวิพังหนึ่งพันาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าโอวาดได้แก่ขรุธรรม8ประการที่ชื่อว่าทำเป็นเหตุอยู่ร่วมกันได้แก่กรรมที่ทําร่วมกัน อุเทศที่สวดร่วมกันความมีศิกขาเสมอกันภิกษุณีพอทอดทราว่าเราจะไม่ประรวาหรือทำเป็นเหตุอยู่ร่วมกันต้องอบัตปาจิตตี